สายหลวงพระเตียนสอนขยับมือทำจังหวะขยับมือแล้วรู้สึกตัวไม่ใช่ขยับเพื่อจะขยับขยับเพื่อจะรู้สึกตัวงั้นเบื้องต้นอะไรก็ได้เคยทำาไงก็ทำไปก่อนแล้วค่อยๆฟังเพิ่มเติมเคยพุโทโธก็พุโทโธไปเคยหายใจรู้ลมหายใจก็หายใจไปเคยรู้ท้องพองยุบก็รู้ไปนะเคยเดินจงกรมก็เดินไป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 ถ้ามวัวแต่คิดเอาว่านี้พองนี้ยุบนะจิตจะตกอยากวิปัสสนามันิืมรู้สภาวะ ใ, ใครเคยทํากรรมฐานอะไรก็ทําไปนะแต่อย่าไปเพ่งใส่มันด้วยนะอย่าเผลอใจลอยไปที่อื่นแล้วอย่าไปเพ่งเอาไว้ถ้าเผลอใจลอยไปเช่นสายลวงพ่อเทียนขยับมือขยับไปหนะ้าแล้วก็ไปคิดเอาเอ๊ะท่านี้เราเดี๋ยวจะไปท่าไหนเนี่ยออกมาท่านี้ท่าไหนอีกท่านายยาานี้นี่คิดเรื่องมือ เลยคิดเรื่องอื่นเลยขยับมือไปอ่้ออีนางนี่มันโกงแชร์ยึดตกใหนะ้ขยับขยับมันรุนแรงขึ้นมาเนะีนะ่ยขยับแล้วก็อย่าลงไปคิดนะขยับแล้วก็ค่อยรู้สึกนะดูท้องผองยุบก็ดูไปอย่ามัวหลงไปคิดเรื่องผ่องเรื่องยุบอย่ามัวหลงไปคิดเรื่องอื่นจนะนะดูเวทนาก็ดูไปนะ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 เราฟังทีแรกอ่านทีแรกเราคิดว่าเป็นเรื่องทางร่างกายทั้งหมดเลยอย่างทำตัวให้ประกอบไปด้วยกามก็ต้องไปดูหนังฟั ง, พ ง, พงเพลงกินเหล้าเมายาอะไรเฮฮ า, าไปจีบสาวจีบหนุ่มอะไรอย่างเ้ยถึงจะเรียกว่ากามเรามองแต่ของหยับหยับเสร็จแล้วเราก็มาบอกท่านห้ามไม่ให้มีการบังคับตัวเองเราก็ไปนึกว่าอัจจักิลมฐานยุโยกนะ คือการไปนอนบนตะปูนะยืนขาเดียวกลั้นลมหายใจอะไรเงี้ยพระพุทธประวัติไปพูดเรื่องนี้เอาไว้คล้ายพูดเอาไว้ก่อนแล้วมันไปไกด์ให้เรารู้สึกตามว่ามันเป็นเรื่องทางร่างกายทั้งหมดเลยแต่ก่อนนี้ยังสอนกันด้วยแต่ก่อนเนี้ยจะบวชเนะี้ยท่านเป็นเจ้าชายเห็นไหมเหมือนท่านเสวยการ ม, มาสุขมากมายเนะลยเราก็วาดภาพในใจเรานะี้นี่ต้องเป็นเสวยทางกายนะ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 เหลือไปก็คือใจเราหลงไปทางตาโห่จมูกลิ้นกายเพลิดเพลินตามกิเลสไปเรื่อยๆนั้นใจเราจะไหลาตามกิเลสไปนี่เรียกว่าสุดโต่งไปข้างตามใจกิเลสใช่ไหมไม่ใช่เรื่องทางร่างกายว่าไปดูหนังฟังเพลงนะใจเราทางหากตัวสําคัญว่าทำทั้งหลายใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จได้ด้วยใจพอมาอัตตากิมรมาฐานุโยกเนื่องหลวงพ่อไปสังเกตดูนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนี่พูดแบบสุภาพนะเกือบร้อยละร้อยอ่ะบังคับกายบังคับใจ ทันทีที่คิดเรื่องการปฏิบัติถ้าไม่บังคับกายก็ต้องบังคับใจไม่อยู่แค่นี้เองนะสังเกตไหมอย่างเราหายใจสบายๆพอเราจะภาวนานะเริ่มหายใจไม่เหมือนมนุษย์ปกติและหายใจแบบแข็งๆขึ้นมานะมีจุดกระทบตรงโ น, น้นตรงนี้อะไรนี่เกินธรรมดาขึ้นมานะหรือจะเดินก็เดินไม่เหมือนคนธรรมดาใช่ไหมมันะ น, นมาจากใจเราที่คอยบังคับกายบังคับใจตัวเองนะถ้าเมื่อใดจิตใจของเราไม่หลงไปในโลกของความคิด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 ถ้าเราจะเรียนสักตัวหนึ่งว่าหลงอะไรดีที่จะเรียนนะไปเรียนหลงคิดไว้หลวงพ่อเทียนถึงสอนนะลักเรื่องหลงไปคิดเหมือนกันหลวงพ่อคําเขียนเรียกว่ารักคิดหลวงปู่ดูล็บอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้ครูบาอาจารย์ท่านฉลาดหลัดเปลืองท่านบีบลงมาอ๋อมันเป็นเรื่องคิดนี่เองเมื่อไหรคิดมันก็ไม่รู้ความจริงของกายของใจความคิดนี่ปิดบงังความจริงของกายของใจไว้ะงั้นให้เรารู้ทันเวลาจิตมันหลงไปคิดเนี่ยข้างหลง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 คนไหนเคยหัดพุทธโธนะก็พุทโธไปอ ใ, ใจหนีไปคิดแล้วรู้ทันรู้ทันใจตัวเองพุทโธไปพอใจฟุ้งซ่านแล้วก็รู้ทันพุทโธไปพอใจสงบก็รู้ทันพุทโธพอมีปีติก็รู้ทันพุทโธพอมีความสุขก็รู้ทันพุทโธพอใจเฉยๆไปดูเบกขาก็รู้ทันพุทโธแล้วก็รู้ทันใจไปครูบาอาจารย์บางองสอนนะอย่างหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าพูดเจ้าก็บอกว่าว่าอะไรเดียลืมไปแล้ว <c oughs> ลืมสนิทเลยอยู่ๆจิตมันดับไปเฉยๆพูดเรื่องอะไรอยู่ก่อนหน้านั้นล่ะนัสัญญามันดับนะมันดับเอาให้ดูง่ายๆอย่าง้นเลพระดีมันใจมันแวบไปหลวงปูธาท่านบรณภาพไปแล้วหลวงปูธาอยู่ปากช่องนี่พระดีที่สุดิยองหนึ่งนะ อายุยังน้อยๆยเสียดาย97คนดีอายุ97ก็น้อยนะคนชั่วชั่ว10ปีก็มากไปละใจมันแวบไปถึงหลวงปู่ทามเลยลืมไปเลยถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นั่นอ่ะสิทำไมถึงไปรีเฟอร์หลวงปู่ล่าออหลวงปู่ล่าบอกว่า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 แทนที่จะให้คิดสเป ส, สปานะก็ให้มันมาคิดพุดโทโธอืมใครไม่ชอบพุโทโธคิดอย่างอื่นก็ได้นะท่องชื่อแฟนยังได้เลยนะ<ม>เคยมีพระองค์หนึ่งท่องชื่อแฟนนะแล้วจิตรวมเลย<ม>ว่าใจมันชอบเราพุโทโธพุโทโธไปแล้วเราก็รู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อนยะการดูจิตดูใจนะั้นก็ทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกได้มไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไร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 ดูท้องพองยุบแล้วก็เห็นท้องมันพองท้องมันยุบไม่ใช่เราฟองเรายุบนี่ดูท้องพองยุบแล้วรู้รูปได้เห็นเลยตัวที่พองยุบไม่ใช่เราตัวที่หนีไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งไปเพ่งไปสุขไปทุกข์ไปดีไปชั่วนะก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นรูปประธรรมบ้างนามาทำบ้างค่อยๆฝึกไปใครเคยทํำยังไงก็ทํำใครเคยขยับอย่างหลวงพ่อเทียนก็ขยับไปอย่าไปเพ่งใส่มืออย่าไปเผลอคิดเรื่องอื่นใครรู้สึกไปนะ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 เห็นมพอจิตมีความสุขจิตก็มีสมาธิเลยถ้าทำเป็นไม่ง่ายกว่านั้นนะง่ายถ้าไปซื้ออะไรมาแปะไว้วก็กระสินนะสีเขียวสีเขียวนะนี่นี่สีเหลืองสีเหลืองนะเมื่อไรจะสงบวะนะไม่สงบหรอกต้องดูเล่นเล่นดูไปเรื่อยเรื่อยนี่พวกนี้มันจะไม่ค่อยย้อนเข้ามาดูกายดูใจจะดูออกนอกไปนะงั้นอย่างเราเล่นกระสินนะพวกกลับเข้ามาเล่น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 หลวงพ่อก็ดูจิตใจของหลวงพ่อไปเรื่อยๆวันไหนฟุ้งซ่านมากนะเราก็มารู้ลมหายใจเนี่ยแล้วเราฝึกอนาปนานสติมาตั้งแต่เจ็ดขวบฝึกแล้วติสมถะอยู่ยีบสอปีมันไม่มีครูบาอาจารย์สอนไปเจอหลวงปู่ดูลนท่านบอกให้ดูใจตัวเองดูจิตตัวเองจิตใจเรามันสงบง่ายอยู่แล้วฝึกสมถะใช่ไหมมาตามรู้ตามดูน้ําดูได้ทั้งวันมีความสุขที่ได้ดูดูจิตใจไปเรื่อยๆ เห็นเขาทำงานทั้งวันทั้งคืนวันไหนเนหนื่อยขึ้นมาถ้าขี้เกียจมารู้ลมหายใจนะเราก็จับเข้ากับความว่างเลย เ, เราไปดูจิตมีจิตอยู่สองดวงให้ทาสมถะจิตที่รู้ความว่างจิตที่รู้ช่องว่างกับจิตที่รู้ความไม่มีอะไรจับเข้ากับความไม่มีอะไรจับเข้ากับความว่างๆสองอันนี้ใจก็สงบพอใจสงบมีเรื่องมีแรงถอยออกมานะมาตามรู้ต่อ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 ตามองเห็นก็รู้สึกยังถูกเขาโชคมานีหรือถูกเขาต่อยนะตาเขียวปาดเจ็บลูกตาก็รู้สึกนะไม่ใช่ดูแต่จิตนะอ๋อกำลังโกรธไม่รู้ว่าตาเจ็บไม่ใช่ไม่ซื่อบื้อขนาดนั้นหรอกอารมณ์อะไรเด่นชัดมันก็รู้อันนั้นแหละอย่างเดินไปเหยียบตะปูถ้าะลุรองเท้ามาจิ้มขาขึ้นมามันก็เจ็บอ่ะเจ็บก็รู้นะแล้วแมมโมโหใช่ไหมโมโหตัวเองซุ่มซ่ามก็ได้โมโหไอ้คนที่เอาตะปูมาทิ้งไว้ก็ได้ ถ้าเป็นพวกเราจะโมโหอะไรลองวัดใจสิอันแรกที่อยอมโมโหจะมโมโหอะไรโมโหคนอื่นไอ้พวกสุ่มซ้ามทำไมโลกโลกเมื่อไรมันจะศูะนย์พันบางทีก็โมโหตัวเองไม่รู้จะโมโหใครอย่างต้นไม้มันขึ้นดีๆเดินไปชนมันเนี้ยน ะ, ะจะโมโหต้นไม้มันก็รู้สึกเกเรยไป ห, หรือบางคนโกรธนะอาฆาตอาฆาตก็รู้เอานะ เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลครรู้จิตใจของเราไปได้่อยมีผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงส่วนมากอาฆาตนะอืผู้ชายไม่ค่อยอาฆาตผู้ชายไม่พอใจมันก็ตีกันโกลมครามไปเลยนะผู้หญิงเนี่ยอาฆาตแค้นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่อาฆาตขึ้นชื่อลือชาเลยคือสุสีไทยเฮาประกวดแล้วคู่ต่อสู้ตายหมดเลยนะ <c oughs> ไม่ได้อาฆาตเ <c oughs> นี่ยเราใครรู้ทันใจเรานะใจเรา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 งานงานศพท่านเจนมหาบัวไปเป็นประธานเจนมหาบัวก็ ข, ขึ้นเทศมวนสาราคนก็มาถ่ายรูปท่านถ่ายกล้องแวบแว บ, บแวบแวบท่านก็ <c oughs> วันนี้อะไรเงี้ยถ่ายรูปแวบก็หยุดแล้วก็ถ่ายอีกสภาเดี๋ยวพอหยุดนะท่านก็พูดอีกคนละเรื่องแล้วนะถ่ายรูปอีกนละ้วท่านหยุดอีกพอครั้งที่สามนะท่านด่าเลย <c oughs>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 เครียงั้นเวลาเราฟังธรรมะวันไหนพวกเราภาวนาดีๆมานะเยอะๆคนส่วนมากภาวนาดีธรรมะก็จะประนีดวันไหนจิตใจชงช่างมาธรรมะก็ชงช่างตามไปนะธรรมะมจะพอเหมาะพอดีกับคนฟังวันไหนมีคนทุศีลมากเนี่ยธรรมะก็ทุศีลนะก็จะเป็นเรื่องต้องทำต้องถือศีนไว้นะอะไรเงี้ย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 ง่ายนิดเดียวเลยเรารู้หลักแล้วสมาธิเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดจากอะไรล่ะโอ้ค น, นนี้จําแม่นเนี่ยรีบชิดเด็ดปุ๊บออกความสุขมีคําตอบผุดขึ้นมานะเกิดจากความสุขนะนี่ถ้าความสุขนั้นเป็นความสุขที่จากการได้รู้กายรู้ใจนะสมาธิที่เกิดนั้นจะเป็นสัมมาสมาธินะจะเป็นสัมมาสมาธิบางทีนั่งเถียงกันนะว่า มีสัมมาสติก่อนแล้วไปเจริญปัญญาใช่ไหมถึงจะเกิดสัมมาทิฏฐิอะไรเงี้ยเถียงกันไปเถียงกันมาพวกนี้ไม่เข้าใจสัมมาสติแท้ๆเกิดตอนเกิดอริยมรรคสติที่พวกเราฝึกไปเนี่ยยังไม่ใช่สัมมาสติตัวแท้ๆหรอกอนุโลมเรียกเพื่อเอาเอาใจให้กําลังใจไว้ก่อนถ้าพูดซื่อๆนะสมาทิฐิที่เรารู้เราเห็นตรงนี้ก็สัมมาทิฐิ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 ยินทรียห้าพละห้าเกิดพร้อมๆกันสัมมาประธานนี่คือสัมมวาวยามะหรือความเพียรชอบสี่อย่างาก็เกิดพร้อมๆกันนะเกิดพ ร, พร้อมกันหมดเลยธรรมะธรรมะที่มันเกิดพร้อมๆกันเนี่ยมคล้ายๆมันรวมตัวเข้ามารวมหัวนะช่วยกันบ่มกิเลสธรรมะเยอะนะกิเลสน้อยจิตที่เป็นกุศลนะ่ะมีเยอะแยะเลยจิตอกุศลมีแค่สิบสองดวงเองนะ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 แล้วประหารกิเลสออกจากใจท่านมารจริงๆนะจะขี่ช้างขี่ม้ามาหรือเปล่าไม่รู้นะถ้ามารสมัยใหม่ต้องขี่รถถังใช่ไหมถ้าสมัยโน้นก็ออมารขี่ช้างมานะน่ากลัวอนะไรเงี้ยหลวงพ่อเคยเห็นที่วัดไหนไม่รู้เขาเขียนมารนะถือปืนกลนีช่างมันสน่ะ น, นะเขียนเนี่ยคุณงามความดีนะทาไมแล้วมันจะมารวมตัวสู้กิเลส ในนาทีที่จะข้ามพบข้ามชาติตอนเวลาท่านจะนิพพานท่านก็ทำความสงบเข้าไปนะถอยออกมาออกจากฌานสมบัติอยู่ในภาวะจิตปกติของมนุษย์นี่เองดีที่สุดเลยนิพพานในจิตปกตินี่จิตที่รู้ตื่นเบิกบานธรรมดาธรรมดาไม่ได้นิพพานในฌานสมบัติอะไรโหเแล้วจะเทศอะไรเยอะเกินจะให้ถามนะก็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 เห็นกายเห็นใจนี่แหละคาว่าเห็นโลกก็คือเห็นกายเห็นใจคำว่าโลกก็คือกายกับใจเหล่านี้เป็นนิยามทางศาสนาพุทธนะโลกก็คือรูปนามห น, นีไปคิดแล้วทราบไหมกันแปรมหนีไปคิดแล้วเอาเลยใจฝ่อไปเลยนะทีแรกมีความสุขอยู่ดีๆรู้สึกยังไม่เที่ยงน่าเสียดายไหมดูลงไปดูซิใจมันจะร้องไห้แล้ว มันรู้สึกความสุขหายไปละรู้ลงไปเลยมันเป็นยังไง ร, รู้ลงไปเห็นไหมโลกนี้เป็นอย่างนี้แหละเห็นโลกนี้จะหน้าอภิรมอะไรนักหนาพอเราเห็นไปเรื่อยๆนะต่อไปเราก็ไม่จำเป็นเราก็ไม่แต่งงานนะ ไ, ไม่ใช่ว่าตั้งปณิธานไปรับปากท่านว่าจะต้องไม่แต่งเอออย่าไปรับนะ<ค><ณ>สองเดือ น, นอ ง, ง อ, อสองครั้งเหรอ<ค><ณ> ท่านก็อย่างนั้นแหละเจอใครท่านก็ชวนบวชหมดแหละ <c oughs> มีนะบางคนนะอยู่อยู่อุตรินะมาบอกหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้เชื้อเชิญไม่ได้ถามซะหน่อยหลวงพ่อคะหนูขอให้หลวงพ่อเป็นพยานหนูจะไม่แต่งงานนี่อย่างนี้ก็มีนะแล้วหายไปปีหนึ่งหลวงพ่อคะที่หนูปฏิญาณไว้หนูจะมาขอเลิก <c oughs> ปฏิญาณทำไม่มันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนะเราดูความพร้อมนะอย่าไปคิดมากเหมือนอย่างคนบวชพระาเงี้ยอย่าไปตั้งใจใช่นะว่าจะบวชตลอดชีวิตนะ่ะพอตั้งใจจะบวชตลอดชีวิตนะ่ะไม่กี่วันอยากจะสึกแล้วแค่ว่าจะบวชแบบไปเรื่อยๆนะตามเหตุตามปัจจัยของมัน บวดแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆนะเผลอๆไปผ่านไปหลายปีแล้วไม่มีปัญญาจะสึกละ <c oughs> การจิตเป็นไงกันสึมๆนิดนึงครับอย่าไปกดมันนะครับจ <c oughs> ิตกดมากไปทำใจให้สบายๆแหมใจลอยไปละแหมอ้าวว่าไงสองการบ้านเจ้าค่ะ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 แล้วเราเห็นว่ามันชอบเนี่ยรู้ทันความชอบดับปั๊บเนี่ยไม่เรียกว่าติดละยางเหนียวของมันก็คือกิเลสพระเจ้าหรือว่ากิเลสเป็นยางเหนียวทําให้เราติดปฏิบัติอีกคําถามหนึ่งเจ้าค่ะปฏิบัติตอนนี้เป็นยังไงเจ้าค่ะเล้วดีดีใช้ได้ดีแล้วดีใจไหมรู้ว่าดีใจนะไม่งั้นเดี๋ยวต้องถอนแต่ตอนนี้ไม่รู้ตัวแล้นะอาี่วัยส่งน้อนไปให้การการการ ก็รู้ตัวอย่างรูกายรู้ใจอย่างเบาๆสบายมากขึ้นนะครับ um. จนกระทั่งคนแรกจับใหม่ครับก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาครับวันนี้สบายกว่าเมื่อวานไหมสบายขึ้นครับแต่บางช่วงก็เพ่งก็รู้ไปครับ um. พอบางช่วงก็คือจะเริ่มควานหาขึ้นมาว่าตอนนี้ยังเป็นยังไงครับเออดีที่รู้ทันนะกว่านเราก็รู้่ <c oughs> ส่งมาข้างหน้ามาก็อันนี้ผมก็รู้สึกว่าเผลอ เราเหงื่อไม่บ่อยครับแล้วก็ไม่ค่ยรู้สึกตัวว่าโกรธนะครับเพราะว่าโกรธแต่ไม่ค่อยรู้ว่าโกรธผ่านไปแล้วสินาทีจะรู้ครับอ๋อเหรอรู้นานไป น, นิดนึงนะไม่ใช่ว่าถ้าเกิว่ารู้ว่าเผงื่อเองเดียวเผงอแล้วรู้อองเดียวนี้อาจจะเห็นคําได้ไหมครับได้ถ้าเผลอปุ๊บรู้นะเหงือแล้วก็รู้นะไม่ใช่เมื่อวานเผงอวันนี้รู้นะนะเหงื่อแล้วก็รู้เผงอแล้วรู้แค่นี้ก็พอที่จะเห็นทาได้แล้วครนะแล้วจะเห็นในเวลารวดเร็วด้วย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 มีความสุขแล้วรู้ไม่มีความสุขก็รู้ก็บรรลุได้หายใจออกก็รู้สึกไปไม่มีเราหายใจเข้าก็รู้สึกไปไม่มีเราก็บรรลุได้จริงๆแล้วกรรมฐานน้าง่ายถ้าทำเป็นแล้วหยิบอะไรขึ้นมาก็เป็นกรรมฐานหมดเลยแนะถ้าทำไม่เป็นนะหยิบอะไรมาก็ผิดหมดเลยถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่เป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นใช้ได้ทั้งหมดเลย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 สมาสมาธิก็คือใจมันตั้งมั่นเป็นแค่คนดูไม่ใช่ผู้เพ่งผู้จ้องไม่ยากนะง่ายง่ายตอนนี้จิตเป็นยังไงอันนี้จิต เ, เพ่งครับเพ่งเอ อ, เ, อเลิกสิเลิกซะไว้ เ, เพ่งเป็นทำไมล่ะก็พรามันเก่งนะครับก็บอกว่ากลัวว่าจะไม่ดีครับเออเนี่ยทำไมต้องกลัวไม่ดีก็อยากจะดีเนี่ย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 ก็เฉยๆครับก<อ>็ข า, <ช>ายก็ได้ถ้าถ้ า, ถามันเพ่งมากแบบนี้นะไปหางานทาไปหากิจกรรมต่างๆทำซ ะ, ะให้มีผัสสะสดๆร้อนๆใหม่ๆสิ่งๆเนี่ยมาหลอกล่อจิตให้เคลื่อนไหวแล้วค่อยรู้เอออกไปกระทบโลกแต่ไม่ได้สอนให้ไปเที่ยวเหลวไหลนะหายถึงตาหูจมูกลิ้นแกนใจเนี่ยออกมาดูโลกข้างนอกนีบ้างไม่ใช่จะเพ่งงดงดงดอยู่แต่ข้างใน ที่ฝึกอยู่นะจริงๆใช้ได้แต่ติดเพ่งแรงไปนิดเดียวเท่านั้นแหละครับะที่ทําอยู่นะดีแล้วล่ะครับก็ให้ปล่อยให้เผลอไปแล้วก็รู้เอาเองเออเผลอแล้วรู้บ่อยๆนะอย่า ก, กลัวเผลออย่า ก, กลัวไม่ดีปล่อยมันไปเลยอคุณต้องหลวงพ่อคะอยากเรียนถามว่าวิหารธรรมเนี่ยเริ่มต้นด้วยความจงใจแล้วมันก็ผิดไปเลยหรือเปล่าคะ เบื้องต้นก็อาศัยความจงใจก่อนนะเพราะเรายังไม่เกิดสติอัตโนมัติก็ต้องจงใจไปก่อนมีตัณหาไปก่อนมีมานะมีทิฏฐิไปก่อ น, นอาศัยกิเลส น, นี่แหละแล้วก็ค่อยมาเรียนรู้ธรรมะเสร็จแล้วก็มาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจทีแรกมันก็จงใจแต่มาพอเราเห็นว่าเอ๊ะจงใจเราก็แน่นๆนะใจค่อยฉลาดขึ้นแล้วต่อไปมันรู้แบบไม่จงใจเบื้องต้นก็อาศัยอย่างนั้นแหละเอาคุณมนต์งกันบ้าน จะไปงานหลวงปูท่ทาปอ่ะได้ค่ะหลวงพ่อก็ยังไม่รู้แน่เหมือนกันนะนี่แค่ชมพูโทรศัพท์มาบอก <c oughs> เกิดไปแล้วบอกจะไปงานศพท่านท่านยังอยู่ละแย่เลยนะ <c oughs> แล้วไง ซึมๆอะค่ะมันสลับกันแบบซึมๆแล้วไปกดเอาไว้ใช่ค่ะซึมๆเศ้าๆแล้วก็มีตัวหนึ่งตรึงเอาไว้เออนั่นแหละดูได้ละเอียดนะดูได้ละเอียดเพราะขาเวลารู้ก็จะมีสุขขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วมันก็กลับไปเหมือนเดิมใหออถ้าสติมันเกิด น, นะมันมีความสุขขึ้นมาเวยขึ้นมานสงสัยคล้ายๆกันไหมไม่คล้ายนะมันมีแบบ มันมีกลัวๆฝ่อๆแล้วก็ไปกดเอาไว้ออไปกดกดแรงกว่าคุณมนแล้วสังเกตไหมใจเราฟุ้งซ่านเนี่ยต่รรเรากระจัดกระจายคุณมนเขาไม่กระจายเขาซึมกับข้างกันโมหะคนละตัวะคนละแบบหน้ามารวมกันแล้วหันสองเป็นแบบกระจายฟุ้งฟุงซ่านใช่ไะมออ้าวดเรเล็ก <c oughs> นี่นะชื่อเล็กนะแต่เพื่อนพยายามมาบอกหลวงพ่อว่าชื่อแห้ว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 อัตโนมัติคือเราจะปล่อยว่าจะอะไรจะเกิดก็เกิดหรือว่าเราไม่มันจงใจไม่ได้จงใจไม่ได้ในขณะที่จะตายจริงๆเนยะมันบังคับไม่ไดนะ้จิตมันทำงานเองแล้วตามบุญตามบาปตามความเคยชินที่สั่งสมมานะเพราะเวลาจะตายนะมันจะเข้าไปสู่วิถีเ็าเรียกมรณาสันวิถีชื่อก็เรียกยากนะแค่นึกถึงชื่อมันก็อยากตายเร็วๆแล้ว <laughs> ตรงวิถีเนี่ย จงใจไม่ได้มันจะเกิดนิมิตขึ้นมาเองเหมือนอย่างเรานอนแล้วเราฝันเงี้ยจะฝันดีหรือฝันร้ายเราเลือกไม่ได้นี่ยจิตมันจะทํางานอัตโนมัติต ร, ตรงเนี้แล้วแต่บุญหรือบาปมันจะให้ผลหลวงพ่อเคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะญาติญาติผู้ใหญ่ก็ตายเมื่อไม่นานเนี้ยตอนก่อนจะตายเนี่ยชอบไปศาลาลวงชินไปเป็นปีๆหลายปีนะแต่ทําบุญกับหลวงปู่เลี้ยนอะไรเงี้ยทําอย่างอื่นไม่เป็นภาวนาไม่เป็น ตอนเจ็บหนักเนี่ยทุรนทุรายทุรนทุรายพวกลูกลูกหลานหลานนะกลัวว่าจะไปอบายแต่วันที่จะตายเนี่ยนะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานอนตาแป๊บอะไรรู้สึกตัวตลอดเลยใครมาจับมือใครมาจับเท้านะรู้รู้ว่าใครรู้ว่าใครนะใจตื่นสว่างนับุญมันช่วยคุ้มครองให้รักษาให้พอตายด้วยจิตใจอย่างนี้ก็ไปสุขติ แม้เข้าไปของเขาเองใครก็พาเข้าไปไม่ได้ต้องสร้างเอาเองเพราะฉะนั้นเราทําความดีเนืองเนืองจนจิตเราคุ้นกับความดีเวลาตายแล้วตายดีเราทําชั่วเนืองเนืองจิตคุ้นกับความชั่วนอนก็ไม่มีความสุขแล้วเวลาจะตายก็จะฝันร้ายนิมิตร้ายร้ายขึ้นมางั้นถ้าคนไหนชอบฝันร้ายาอ่ะภาวนาเยอะๆนะ ลูกหลานพี่น้องทั้งหลายถ้ายงฝันร้ายอยู่ภาวนาเยอะๆดูกายดูใจให้มากๆจนถึงจุดที่ว่าพอมันฝันร้ายปุ๊บสติทำงานอัตโนมัติเลยอย่างฝันน่ากลัวปุ๊บสติระลึกปั๊บเลยขาดสะบั้นถ้าอย่างนั้นพอเอาตัวรอดได้ชาติหนึ่งชาติเดียวนะชาติน้าว่ากันใหม่เอาคุณสุนันแข็งมากเลยค่ะ แข่งก็รู้ไปพยายามดิ้นรนอคุณกบอย่ายไปกังวลนะอย่าไปกังวลที่ฝึกมาเนี่ยเหลือเฟือแล้วเ <c oughs> พราะงั้นสมมติรถจะควําตายมีเวลาไม่กี่วินาทีสบายต้องไปกลัวหรอกคุณหมอหมอคมสันก็ <c oughs> มีปิติครับแล้วก็ตอนนี้มีความสุขอืดีนะเวลาจิตมีปิติเนี่ยจะเป็นพลังนะคุณหมอ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 แต่ก็เห็นจิตมันขึ้นมาแข็งแล้วเจ้าค่ะทำไมจะแบบจะทําไม่ได้เมื่อวานยังทำได้อยู่เลยก็เห็นว่ามันก็ยังแบบฉันจะทําให้ได้ฉันจะทําให้ได้เภาวนาเก่งแล้วดีแล้วดูซิระหว่างฉันจะทําให้ได้กับไตรลักษณ์ใครจะชนะใช่เจ้าค่ะมีมีมีถามเตยเหมือนกันว่าก็ฟังซีดีหลวงพ่อก็รู้ว่าทําไม่ได้แต่จิตมันจะมันจะทําตอนที่ฟังกับตอนที่ปฏิบัติจริงมันคนละเรื่องกันเห็นไหมเพราะจิตเรามันไม่ได้รับธรรมะไว้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 อ้าวเชิญมึงทํางานไปทีนี้กูจะดูมึงลูกเดียวแล้ขึ้นเหนื่อยมากเอ๊จะทําอะไรก็ไม่มีอะไรถ้าวันไหนเหนื่อยมากนะไปพักสวดมนต์ทําความสงบเจ้าค่ะนะสมาศาเป็นที่พักผ่อนพอพักผ่อนแล้วมีเรี่ยวมีแรงสบายใจแล้วมาตามดูต่อก็เพิ่งทราบว่าตัวเองเดินจงกรมไม่เป็นเจ้าค่ะท้งที่มีเวลาไปเดินตอนเช้าในสวนสาธาระนะเจ้าค่ะจนพี่ตุลมาสอนเดินเจ้าค่ะว่าเดินยังไง เดินไปด้วยกันแล้วก็ชี้ให้ดูเลย ว, ว่าขามันต้องเป็นอย่างนี้ตรงนี้เบาตรงนี้เพราว่าที่ผ่านมาเนี่ยเดินไม่เป็นจริงๆเดิดนแล้วไหลก็ไปเกาะ น, น, น, น, นู่นเกาะนี่แต่พอเราเดินแล้วรู้สึกว่าถ้าเวลาเดินเป็นแล้วเนี่ยมันเบาๆแล้วมันก็รู้รู้เฉยๆแล้วเดี๋ยวมันก็หลุบเข้าไปเกาะแล้วมันก็ถอยออกเออต้องอย่างนั้น <ide> ไม่ใช่เาบาๆตลอดนะใชออ่ถ้าเาบาๆตลอดก็เดินไม่เป็นอีกนั่นแหละเจ้าค <ide> <ide> ่ะ<ๆ>เดินดูกายมันเดินเดินดูจิตใจมันทํางานเจ้าค่ะ เดินจงกรมนะมันทำได้หลายแบบนะเดินเลื่อยเปื่ยก็ได้เดินแล้วใจลอยหนีไปเลยเดินทำสมถาก็ได้เพ่งร่างกายไว้นะให้มันอยู่ต่กายไม่ให้หนีไปไหนเลยนะเดินทำวิปัสสนาดูกาย ก, ายก็ได้เห็นร่างกายมันเดินใจเบาๆสบายทำวิปัสสนาดูจิตก็ได้เห็นจิตมันไหลไปไหลมาแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะเจ้าค่ะตอนนี้ก็รู้ว่าตัองกดไว้ว่าข่มเอาไว้เจ้าค่ะแล้วสังเกตไหม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 อ้าวเกงวันนี้รู้สึกอึดอัดเหมือนกันครับนั่งใกล้คุณจูมั้งไม่รู้เหมือนกันครับแต่รู้สึกอึดอัดเหมือนกันแต่ปกติไม่ค่อยได้เป็นอย่างเนี้ยครับออก็ดูมันไปวันนี้คนเยอะครับบางคนภาวนาแล้วจิตมันเร็วจิตมันไวถ้าไปนั่งตรงมุมเจอนักเพ่งบางคนนะไม่ใช่คุณจูนะ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 เห็น ไ, ไหมแล้วหายังไงหาอย่างไงก็ห า, า, ไาไม่เจอจับลงไปตรงไหนนึกว่าอยู่ตรงนี้จับลงไปปุ๊หายไปแล้วเพราะอะไรเพราะไม่มีสภาวะทำรองรับนะอัตตาตัวตนไม่มีสภาวะรองรับพอดูลงไปก็หายไปเลยแต่ว่าเหมือนมีอยู่นะแต่ไม่มนะีมีอยู่เพราะจิตตนหลอกความคิดมันหลอกอาศัยสัญญาที่วิปลาสเขาเรียกสัญญาวิปลาสคนไทยมาแปลว่าบ้านะ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 เมื่อกี้ตอนหลวงพ่อพูดถึงน้องแปมมาะเจ้าค่ะยมก็เห็นมันตัวอิจฉาหรือตัวอะไรโน้นพุ่งไปีกขึ้นมาแล้วก็แล้วก็คือตอนนี้จะสังเกตเห็นตัวนี้บ่อยขึ้นเพราะว่าบางทีคนที่เรารักแท้ๆเจ้าค่ะเราก็จะเห็นทั้งนี้น้องก็น้องรักก็พอเห็นแล้วมันจะมีเมื่อกี้มันจะเศร้าเจ้าค่ะ้วมันจะเอรดีที่เราเห็นนะถ้าไม่เห็นเราก็ถูกมันหลอกไปเรื่อยๆดีแล้ว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 ดูอย่างนี้นะใช้ได้แล้วหญิงภาวนาดีขึ้นละอ้าวโยมก็โยมก็ปฏิบัติตามรูปแบบค่ะแล้วก็รู้สึกตัวมากขึ้นแล้วก็รู้สึกเห็นความคิดอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งเวลาสวดมนต์ก็<อ>มันมันมากมายขนาดใช่ใช่มันสวดสองคำนะมันก็หนีไปคิดทีหนึ่ง<อ>ใช่ไหมคนอื่นก็เป็นด้วยแหละคะ่ะเป็นทั้งโลกเลย <laughs> ถ้าภาวนาเป็นนะ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 พอใจคุ้นกับอารมณ์ที่เป็นกุศลแล้วเขาจะได้ไม่ต่อต้านถ้าใจเขาต่อต้านนอกอยากไม่ได้บุญแนละ้วไปเชี่ยวเข็นเขาเขาจะได้บาปด้วยเอาไปถึงไหนละ่ะเชิญอาโบคือบางทีตอนที่ขาดสติอะคะ่ะก็เหมือนหลุดโลกไปเลยะคะ่ะหลวงพ่อเอาใหม่หลวงพ่อไม่ได้ยินคือบางทีตอนที่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 ดูใจของเราถ้าดูขนาดนี้แล้วดูได้พอดีพดีนะได้แค่นี้นาโยมเดี๋ยวเหลือพระเยอะเลย